ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็ขอขึ้นเรื่องของวิทูรบันดิตเป็นสมัยหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าทรงบำเพ็ญบรารมี <c oughs> และในชาตินั้นทรงนามว่าวิทูรบันดิต เรื่องราวของวิทุรบันดิตนี่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาและความสามารถมา ก, มากาจะขอนำบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าเรื่องกันเลย ต, ตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องแซ่ๆจะมีน้อยตั้งนี้ก็เพราะว่าเห็นใจบรรดาญาติโยมพุทธวริษัทเท่าดูหนังก็อยากจะฟังเรื่องจากนั้นเองจะขอเล่ากันละละัด <c oughs> เว้นไว้ว่าจะมีอะไรบางอย่างที่พอยะแทรกลงไปได้เพื่อเป็นประโยชน์กับรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> เว้นว่าในสมัยนั้นเมื่อพระเจ้าโกรพยะครองราชอยู่ในนคร อ, อินทรปรัดอินทรประัดนะ <c oughs> ในแคว้นกุรุมีนักปราชญ์ผู้หนึ่งชื่อว่าวิทุระ วิธุระระรเรือดำรงตำแหน่งเป็นราชครูท่านผู้นี้ปรากฏว่าเป็นนักพูดที่มีถ้อยคำไพเราะมากและก็สามารถที่จะพูดกล่อมใจคนในชมพูทวีปให้ยินดีเรื่มใส ย, ยน่าอัศจรรย์ต <c oughs> ้องขอไปตอนนี้คอไม่คือดี <c oughs> ถึงแม้ว่าพระราชาจากรัฐต่างๆถ้าได้สะดับพ้อยคาของเขาแล้วก็อย่าทรงเคลิ้มจับพระไทยไม่จับใจนะไม่ปรารถนาที่จะเสด็จไปกลับไปสุรัฐของพระองค์โอ้พูดเพราะจริงๆท่านบอกว่าเสมือนหนึ่งว่ามีกระแสเสียงพิงของในหัดธีกัน ที่บรรเลงฉลอมล่อบผงช้างให้ได้ยินและรักใคร่เช่นนั้น <c oughs> นี่เป็นข้อเปรียบเทียบด่านปรากฏในเรื่องราวว่ายังมีพราหมีคนเป็นเพื่อนมาแต่เก่าก่อนเมื่อตนแก่ลงยึงและบ้านเรือนออกบวชเป็นฤาษีในป่าป่านั้นเขาเรียกว่าป่าหิมะพาน <c oughs> ไอ้ป่าฮิมพายหนิมะหิมะแปลว่ามีหมอกตกลงมามากมันมีความหนาวสูงเมื่อต้องการรถเปรีย้ยวหรือว่ารถเค็มก็พากัญจาริกไปถึงกรุงกรุงกาละจัมปานะกาละจัมปาหรือกานะจัมปาแคว้นอังคะพักอาศัยอยู่ในพระราชวิยานพอ ร, รุ่งเช้าก็เอาพิขาจารไปในพระนคร ยังมีกลุมพีสี่คนเลื่อมใสในดิยาบทของเรือสีทั้งสี่นั้นจึงได้ต้อนรับอัญเชิญไปยังบ้านของตนของตนคนหมายความว่าเชิญเรือสีสี่องค์นั้นไปบ้านของตนคนละองค์ถวายอาหารแล้วก็เชิญในพักอยู่ในสวนของตน <c oughs> สำาหรักคันดาบทั้งสี่ เมื่อฉันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนในที่ต่างๆกันองค์หนึ่งไปดาวดึงอง์หนึ่งไปพบของปญยรนาคอีกองค์หนึ่งไปพบของปยาครุฑอีกอ ง, ง, องค์งหนึ่งไปสู่พระพราชนิยานเขาพระเจ้าโกรเพยีย <c oughs> นี่เป็นอันว่ามาถึงจุดนี้ก็ไปขัดคอใครซึ่งแล้ว ไปนั้นว่าฤาษีสี่ท่านคำว่าฤาษีในที่นี้ข้ามันดาแต่พุทธบริษัทโปรดทราบก็คือบุคคลผู้หวังในการพจน์ในการเจริญกรรมฐานนั่นเองแต่ว่าฤาษีสี่องค์นี้ปรากฏว่ามีฤทธิ์เมื่อสันเสร็จแล้วองค์หนึ่งโนนไปพักที่ดาวดิงอง์หนึ่งไปพักจุดิ น, นากริภ พ, พ องหนึ่งไปพักอยู่ที่ภพเขมรยาครุฑอีองหนึ่งไปพักในพระราชิญญาณขอาพระเจ้าโกรพยะแอลท่านที่ว่าเทวดาไม่มีผีไม่มีการเจริญพระกรรมฐานทำสมาธิจิตไม่เมียม่าจะเห็นผีเห็นเทวดาได้หอเอือนเากาศไม่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็โปรดคิด คิดแล้วคนปฏิบัติตามพิสูจนการปฏิบัติจริง <c oughs> <c oughs> การพิสุการปฏิบัติจริงจะเห็นผลจริงทำตามเขาจะสักได้ว่าทำจะได้พูดไม่ผิด่าถือว่าการแช่ลมเป็นทิพเป็นโอภาษามันก็ไปโถก อย่างนี้ถ้ามีความคิดอย่างนี้ถือว่ามีความรู้ในพุทธศาสนาขั้นอนุบาลเกินไปพ <c oughs> ออกลับมาจาังพอกลับมาต่างก็บรรณาถึงอิสเดิยยศคือสมบัติของพระอินทรนะ์ท่านที่ไปถึงพระอินทร์ไปชมบอกว่าพระอินทร์เนี่ยม้มีสมบัติมากมีที่ประสมบัติเลนหลายสวยสดงดงาม <c oughs> แล้วก็ท่านดีไปพบขบยาหน้าก็ชมพี่พบขบยาหน้าว่าสวยอีกแหละมีเครื่องประดับประดาไปท่านดีไปพบของครุตก็ไปชมเรื่องของครุตท่านดีไปสวนขพระเจ้าโกรพยะนี่ตามไปเห็นมาแล้วในโกดมพีของตนไม่กว่ามาต่างคนต่างชมไปดูสวนขพระเจ้าโกรพยะเก่าสวย คุยให้บรรดาท่านที่มีศรัทธากดมพีเนี่ยหมายก็ว่าในบ้านคนรวยที่เขาเชิญไปเล่ามาสู่กันฟังตามลำดับทำให้ท่านโกดมพีมีความพัฒนาจะได้สมบัติอย่างนั้นบ้างเออก็ดีไหมืนกันอยากจะได้สมบัติในด้านของความดีลองฟังไปนะบรรดาท่านที่เขายังเข้าใจน้อย <c oughs> ฟังไปว่าฤาษีสี่ท่านไปแต่ระพบแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังให้เจ้าของบ้านผู้ที่ต่างคนต่างเขาเลี้ยงอาหารว่าท่านไปพักที่ไหนมาเขาดียังไงท่านเจ้าของบ้านก็เลยอยากจะดีบ้างอันนี้น่าสรรเสริญเมื่อท่านอยากจะดีท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีล ปรากฏว่าเมื่อสิ้นอายุก็ได้ไปเกิดตามที่ปรารถนาหมยายความว่าท่านองค์หนึ่งไปอยู่สวรรค์เช่นดาวดึงท่านองค์หนึ่งไปอยู่ในแดนครุฑท่านผู้นหนึ่งไปอยู่ในแดนนาคนี้ท่านหนึ่งไปเกิดเป็นลูกไครละ่ะคนหนึ่งไปเกิดเป็นเท้าเสรรกะเทวาราชเป็นพระอินทร์ไปเลย ฟังคุณธสมบัติของพระอินท์ปฏิบัติตามนั้นก็ได้เป็นพระอินท์คนหนึ่งไปเกิดเป็นพญานาคราชนิยพญานาคราชฟังสมบัติถึงความเป็นนาคติดใจเพราะใชบุญส่งไปเป็นนาคคนหนึ่งไปเกิดเป็นภพขมวิยาครุดดีวีมานชิมพรีอีกคนหนึ่งไปเกิดในคันเมเหสีขมวิเจ้าธนัญชัยกอรุรพยะเอารสีมานะ ย่องเข้าไปจนได้เนี่ยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเจตนาหังพิกเวปุญญงวาธามิที่กล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้นึกถึงอนุสติคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ <c oughs> โดยเพาะ อ, อย่างยิ่งมีอยู่บทหนึ่งอนุสติที่มีความสําคัญก็คืออุปสมานุสติให้นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าเรามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ตายแล้วก็ปานิพพานแต่ว่าการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี้ต้องทํากิจเพื่อพระนิพพานด้วย <c oughs> จะได้ช่วยกําลังใจกิจพื่พระนิพพานไม่มีอะไรมาก ตัดความโลภตัดความโลกโปรดตัดความห ล, ล, ลงโดยเฉพาะออย่างยิ่งตัดตรงเฉพาะก็คือขันห้าเห็นว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเรา <c oughs> ในเมื่อเราไม่มัวเมาอยู่ในขันห้าไม่รักร่างกายเราเกินไปมันก็ไม่รักร่างกายคนอื่น ก็ไม่ติดใจในทรัพย์สินต่างๆไม่ติดอยู่ในมนุษย์โลกไม่ติดในเทวโลกไม่ติดในพุทธโลกจิตติดอยู่เฉพาะพระนิพพานในที่สุดก็ไปนิพพานเอาคุยเรื่องราวต่อไปว่าต่อมาคนที่เกิดเป็นโอรสขุนพเจ้าทนนันชัยโกรพียะนั้นเมื่อเจริญวัยพระราชบิดาสวรรคตแล้ว ก็ได้ครองราชสมบัติสืบมาพระองค์ทรงบำเพ็ญกุศลตามคำของวิฑูรบัณฑิตมีการให้ทานรักษาศีลในวันอมโบสถนะี่มีการให้ทานและก็รักษาศีลในวันอมโบสถก็รักษาอมโบสถต่อศีลไม่ได้ขาดมาวันหนึ่งสเสด็จสู่พระราชวิญยานประทับนั่ง ทำสมาธิอยู่นี่เห็นไหมท่านเป็นพระราชาท่านก็ทําสมาธิอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการที่เก้าทรงมีสมาธิสูงมีวิปัสนาญาณดีมากอันนี้ไม่ได้ชมในฐานะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านมีพระราชภารากิจเยอะแต่าหาโอกาสมาทําสมาธิปัญญาจนได้ <c oughs> อันนี้ก็ต้องเอทิดทูลพระองค์ พระองค์ก็มีมีการเข้าใจพระธรรมะอย่างลึกซึ้งคำว่าลึกซึ้งนี่บางพระบางท่านจะคิดว่าท่านเข้าใจน้อยกว่าท่านแต่สาหรับอาตมาเองพูดกันชัดๆอย่างลูกผู้ชายก็บอกว่าถ้าการใช้สมองในการวินิจฉัยธรรมะก็ไม่ขอสู้พระจ้าหัวองค์ราชการที่เก่า สู้ไม่ได้แน่เพราะว่าเรามีเวลามากกว่าท่านวินิจัยธรรมาละเอียดไม่เท่าท่านท่านมีวิเวลาน้อยกว่าเราแต่ว่าชันท่านวินิจัยธรรมาละเอียดกว่าเราเพราะแสดงว่าเราพูดว่าไงดีเราสู้ท่านไม่ได้น่นจะพูดอีกจะหยาบไปเราสู้ท่านไม่ได้เป็นนั้นว่าท้าเสกเทวราช ก็หลีกจากเทวโลกมานั่งสมาธิด้านหนึ่งขอย้อนนิดหนึ่งว่านอกจากสาวโบสดแล้วท่านก็เสด็จสู่พระจุทิยานประทับนั่งสมาธิอยู่ท <c oughs> ้าสะกะก็คือพระอินเพื่อนเก่าเพื่อนที่ไปเกิดไ ป, ป็นพระอินก็หลีกจากเทวโลกมานั่งสมาธิด้านหนึ่งของพระจุธิยานนั้นพไปยาว วรุณนาคราชปยาวรุณนาคราชนะแล้วก็ปยาคุณก็มานั่งเช่นเดียวกันทั้งนี้ว่าเขารู้ว่าเดิมเป็นเพื่อนกันอ <c oughs> ต, ต่างคนต่างนั่งพอตกเย็นสี่ท่านต่างคนก็ต่างออกจากที่รับที่นั่งสมาธิของตนไปพบกันที่ปากสา ป, ประคณี เอ็งกันข้าวก็รู้จักรักใครกันด้วยอำนาจถึงความรักใครซึ่งเคยมีมาในการก่อนต่างก็สนทนาวิสาสะกันเป็นอันดีตอนหนึ่งการสนทนา <c oughs> ท่านท้าวสก่าเปล่าก็มาว่าพวกเราสี่คนสิงของใครจะประเสริฐกว่ากันนั่นแน่เกิดมาแข่งขันสิง ข, ขึ้นแล้วไม่ละ เออการแข่งขันแบบนี้ดีดีกว่าการแข่งขันเป็นมิจฉาทิฐิต่างคนต่างกับกสิ่งของฉันเนี่ยดีกว่าสิขส่ของคุณสิ่งของคุณสู้สิ่งของฉันไม่ได้เป็นนั้นว่าพญาย น, นาค็ยันว่าก้อฉันดีของขั้นแหนเป็นนั้นว่าท้าส ก, กะคือพระอินถามว่า เพราะอะไรท่านยังบอกว่าสิ่งของท่านดีสิ่งของท่านดีตรงไหนที่ว่าดีกว่าคนอื่นนะพญานาคกระตอบว่าตามธรรมดาพญครุฑเป็นข้าสิิ์ของพญานาคอย่างร้ายกาดแต่พระเจ้าก็ไม่ได้โกรธเคืองไม่เห็นศัตรูตัวร้ายชินนี้ แม่แต่น้อยฉะนั้นศีลข้าพเจ้าจริงๆชื่อว่าเป็นศีลที่ประเสุทิ์ที่สุดเนี่พยพญานาคเินยันนะ <c oughs> เขายันเมื่อท่านพญานาคยันแบบนั้นองค์สมเด็จพระพระธกวนกล่าวเป็นพระพุทธภาษิตว่าคนใดไม่มีความโกรธในศัตรูอเป็นคนเรียบร้อยเสมอใครโกรธก็ไม่โกรธตอบ เป็นสุภาพชนดหล่อการบันฑิกล่าว่าคนนั่นแหละเป็นเป็นสันติชนที่แท้จริงคำว่าสันตินี่แปลว่าความสงบหมายความว่าคนที่มีความสงบเรียบร้อยจิตใจสบายจริงๆที่เรียกว่าสันติก็คือคนที่เว้นจากความโกรธนี่เราพูดกันชัดๆนะ ในเมื่อพระยาครุฑได้สดับดังนั้นยิ่งกล่าวว่าอันที่จริงเนี่ยนาคนี้เป็นอาหารอย่างดีของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ระงับความอยากเสียได้เพราะว่าไม่ยอมทําความชั่วเพราะเห็นแก่ บ, บ า, เ, เ, าเห็นพระเห็าเห็นแก่ป่าทเกะทองฉะนั้นสินของข้าพเจ้าจึงจัดว่าเป็นศีลที่มีความประเสริฐประเสริฐกว่าสินของไข่ไข นี่พญากุศลบอกวัดอภัยนาบอกเออครุฑนี่เป็นศัตรูตัวร้ายของฉันเนี่ย <c oughs> ฉันเห็นแล้วฉันไม่สะทกแตทานแล้วก็ฉันก็ไม่โกรธสิงฉันจริงดีพยากุศลก็บอกว่าพญัานาคนี่เป็นอาหารชั้นดีของครุฑแต่ครุฑก็ระงับความอยากเสียไม่เหงียบปากแต่ทองชิงสินของฉันจึงประเสริฐ เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วทั้งกพ น, นาเป็นพาสิทธือเป็นใจความได้ว่าพูดใดไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอยากไม่ได้บริโภคอาหารพอประมาณไม่กินจุบไม่กินจิบไม่ฟุ่มเฟือยฝึกฝนตนแต่ในทางที่ดีมีความเพียรพยายามที่จะก้าวหน้าเสมอไม่ยอมทำความชั่ว ร้อเหตุแห่งอาหารปราฏิเรียกคนนั้นว่าสันติชนในโลกแนะนี่หมายความว่าท่านอดทนไม่หิ้งกระปากแย่ท้องนะไม่เดืกินเป็นเรื่องเล็กๆสิ่งมีสําคัญกว่ากินอย่างนี้อร่อยกินอย่างโน้นมันก็อร่อยกินอย่างนี้ก็หายหิวกินอย่างโน้นก็หายหิวเป็นคนที่ไม่พิถีพิถันเรื่องอาหาร ไม่เรื่ออาหารยิ่งเกินไปเป็นคนดีเออฟังให้ดีนะต่อมาพระอินรก็พูดบ้างว่าศีลข้าพเจ้าก็ดีข้าพเจ้าเองได้ละสมบัติและความสุขสมราณ์ทั้งปวงในดาวดิงมาย่งมนุษย์โลกนี้ก็เพื่อจะ <c oughs> เพื่อประโยชน์แก่การรักษาศีลนับ <c oughs> เป็นการเสียสละอย่างยิ่ง เป็นอย่างมากเจนันสินข้พเจ้าจึงจัดว่าเป็นสินที่ประเสริฐกับใครหมดนะ่เพราะว่าเมื อ, องเขาวิาอินดาวดึงนี่ล้วนแล้วแต่ความเป็นทิพย์ประเสริฐทุกอย่างแต่ก็มาอยู่ในที่สขปรกโสโครคือเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์นี่มันสุขปรกจริงๆแต่ไม่รังเกียจจริงชื่อว่าสินข้าพเจ้าดี ท่านจะได้กล่าวเป็นพาสิทธิ์ว่นน้าได้ชนใดละความสำราในกามารมณ์เสียได้ไม่พูดคำเหลวไหลหลดแหละไม่ประดับตกแต่งร่างกายด้วยของฟุ่มเฟือย <c oughs> ปราดทั้งหลายกล่าวว่านอติชนนั่นแหละเป็นสันติชนในโลกฟังคำองท่า้ดีนะ เอาละทุกคนต่างคนต่างดีโอ น, นี้ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ห ล, ล่อแหลมไม่ยุ่งว่ากามารมสําหรับพระเจ้าธนันชัยจึงมีพระราชดำรัสว่าวันนี้ข้าพเจ้าสละราชสมบัติมาหาความสงบลีและอลีและพระราชวังที่พรั่งพร้อมไปด้วยอะไรนะลีเฟ เล่นจากพระอย่างที่พร่ำพร้อมด้วยเหล่านารีทั้งหลายมาบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความสงบจริงๆแค่นั้นสิงเข้าไปเจ้าจึงไปสวยกว่าใครทั้งหมดและจริงทรงตรัสเป็นพาสิบนว่าน่าได้ชนใดแล่ <c oughs> กำหนดรู้โทษของกามารณมทั้งหลายแล้วสละสิได้ฝึกฝนตนเองอยันอย่างมั่นคง ราษจรตัญหาความยึดถือและความหวังในทางต่ำนักปรากล่าวว่านฤชนนั่นแลเป็นสันติชนในโลกแมเป็นนั้นว่าต่างคุยต่างอวดกันว่าต่างคนต่างก็มีสินดีกว่ากันอีตอนนี้สิแต่ว่าการอวดกันแบบนี้เขาไม่ถึงกับการทะเลาะ ก, กันเพราะว่าแต่ได้ท่านทรงโวสุพสีน น่ารักฟังแล้วก็น่ารักน่าเริมใส่น่าไหวน่าบูชาก <c oughs> ันเมื่อพระราชาดั้งสี่ถกเถียงกันไม่ตกลงจึงได้พากันไปหาวิธุระบัณฑิตตามคำชักชวนของพระเจ้าทานันชยัยเพื่อขอวิธุระบัณฑิตตัดสินข้อถกเถียงขององค์ดังสี่นั้น จะเป็นอย่างไรโปรดชี้แจงให้ข้าพระองค์ทราบก่อนนีันนร้นว่าพอไปถึงมิธุราบันดิตก็พระราชาทั้งสี่องค์คือมีพระอินพระราชาพรยาครดพรยานาค <c oughs> ก็บอกว่าชั้นสี่คนนี้ต่างคนต่างรักษาสินแต่ว่าต่างคนต่างว่าสินเขาตนเป็นใสกว่านีนไหนถ้าบันดิตลงตัดสินที่ ท่านบัณฑิตก็ถามว่าข้อถูกเถียงเขาต้องเสียพระองค์เป็นอย่างไรพรเจาค่ะได้โปรดที่แจ้งข้าพระองค์ทราบก่อนเพราะว่าบัณฑิตที่แท้จริงนั้นก่อนจะตัดสินอาตธรรมอันใดลงไปจะต้องได้ทราบประเด็นต่างๆจากทุกฝ่ายให้ถูกต้องเสียก่อนนี่ทัมมิทูรบัณฑิตท่านใช้สมองแบบนี้นะ <c oughs> ท่านไม่ได้ใช้สมองบอกว่าคนดีเขาฝึกอพิญญาสมาธิได้เป็นอุปาทานฝึกอริญญาสมาธิได้เป็นโอภาส์เอะถ้า ต, ต่อโอภาษ์ี่มันซวยจัดเดี๋ยวว่าเวลานี่อภิญญาสมาธิไม่มี <c oughs> แบบนี้ เ, าเ็าเปิดมุ่งเห็นขโมยต้องดูตัวอย่างอยาวิทวโรบฑิต ต้องสอบต้องสวนพณิ ย, ยานเอามาพิจารณากันก่อนฉะนั้นพระราชาดังสี่คือพยายนหน้เริ่มก่อนว่าข้าพเจ้าถือความอดกลั้นไม่โกรธในบุคคลที่คนโกรธนี่หนึ่งละข็ฉั้นแน่สำหรับธรรมพญาโูกบอกว่าข้าพเจ้าถือการไม่ทำชั่วเพราะเหตุทางอาหารหนี่ข้อชั้นก็หนึ่ง ท่านทาสกาก็บอกว่าข้าพเจ้าถือการละความสุขสำราญในกามารมณมารักษาศีล น, นี่หนึ่งอีกข <c oughs> ้าเจ้าทานาันชัยโกรพยะก็กกล่าวว่าข้าพเจ้าถือความไม่มีกังวลว่าเป็นศีล ข, ข้อระเสตที่สุดตอนนี้ในเมื่อท่านทั้งสีราชาแจ้งเจต น, นานแล้ว ต่ามีธุระบันดิตได้ฟังท่านทั้งสี่ตางก็ยึดหลักธรรมไปคนละอย่างก็จับประเด็นเนี่ว่าจับประเด็นได้นะได้จึงกราบทูลว่าคุณ ร, รมสี่ประการนี้ตามที่พระองค์ทั้งสี่ตัดมาแล้วแต่เป็นคำสุภาสิทธ์ทางนั้นย่อมประกอบ กันเป็นเหมือนกับกรรำเกรียนที่ประกอบกันเป็นคงล้อแต่ได้รวมจุดอยู่ดุมเดียวกันให้ดุมอะคือจุดศูนย์รวมผู้ใดประกอบตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมทั้งสี่นี่แหละก็เรียกว่าเป็นสันติชนในโลกได้เป็นอันว่าท่านบอกว่าสี่ข้อเนี่ยอย่างองค์ที่หนึ่งบอกว่าคือความอดกลั้นไม่โกรธนะ โอนี่สองถือการไม่ทําชั่วเพราะอาหารโอนี่สามกรเท่าส ก, กัดบอกว่าเราละความสําราญจากกามารมณ์ใหะเจ้ากโกรพยะถือว่าไม่มีกังวลในข้อวัดปฏิบัติคือสิ่งที่มีด้วยท่านตุราวรณิตบอกว่าสี่อย่างเนี่ยมันลงในจุดเดียวกันคือความดีเป็นนว่าถ้าใครปฏิบัติได้ทั้งสีข้อนี้ครบ ก็ชื่อว่าสันติชนคือคนที่มีความสงบจากความชั่วพระราชาดังสีได้สะดับดังนั้นแล้วก็มีการชื่นชมดินดีตัดสรรเสริญมิโธรมณิตว่าเป็นผู้มีปัญญายอดเยี่ยมสามารถตัดความสงสัยลังเลของตนขาดไปได้เหมือนกับช่างกลึงที่ตัดงาช่า้ขาดลงเรื่อยๆอันคมเะนั้น แล้วต่างคนต่างก็ประทานรางวัลเจวิธุระบัณฑิตด้วยมีเรื่องของมีค่าเป็นการบูชาหมายถึงว่าเป็นการบูชาธรรมแล้วก็บูชาปัญญาอันยอดเยี่ยมของวิทุระบัณฑิตแล้วก็เสด็จกลับไปที่ประทับของพระองค์ท <c oughs> ีตอนนี้แหละตอนนี้แหละตอนที่พญาท่านทั้งหลายกลับไปนี่แหละจะยุ่งยุ่ง เพราะว่าจะยุ่งเพราะว่าท่านพยายามหนักเป็นเหตุตอนนี้ก็จะกล่าวถึงพนงันงพนังเววิมัลลาพนาวิบลลานี่เป็นไม่เหี้ยสีเขาไม่ย า, ากหนัก <c oughs> เป็นชายาเขาไม่ยาวารุณนาคราชวารุณนาคราชนะเหมือนแก้วมณีที่คอของสามีหายไปหายไปหรือเปล่า มองไม่เห็นแก้วมณีที่คอของพระราชสวามียังในถามว่าตอนนี้น่ากลัวคิดว่าผัวจะไปติดพันผู้หญิงนะสงสยัย <c oughs> ดีไม่ดีบอกว่าไปรกสสักษาศีลแต่ว่าไปกินเนื้อสดเท่าเมื่อติดใจในเนื้อสดก็เลยปลดแก้วมณีให้อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะหรือว่าท่านไม่คิดเดี๋ยวจะบาป ดูกันก่อนอยงถามว่าแก้วมณีที่ประสรของพระองค์หายไปไหนเพคะตอนแรท่านวิทูเอ่อท่านพญานาคกระไรก็ตอบกับพญญาว่าฉันน่ะถวายท่านีิทุระบัณฑิตไปเสแลน่ น, น้องหญิงอรสิท่านวินาวิมาลาจึางถามว่าพระองค์น่ะถวายเพื่ออะไร ทำไมจริงจำจะต้องเอาแก้วมันมีสาหรับประจำพระองค์ไปถวายทา่านวิทระบัณฑิตทานวิทระบัณฑิตมีดีขนาดไหนถึงเจ้าต้องเอาแก้วมันถวายอีตรงนี้ฟังแล้วสงสัย ส, ยสงสัยนิดนิดว่าพระนามมีวิวาลานิคงไม่คิดว่าถวายวิทระบัณฑิตคงจะคิดว่าถวายหนูที่มีหน้าตานิดนิดมีจมูกหน่อยหน่อยฮะ แล้วก็ไม่แกล้งกล่าวเพกาว่าให้แก่วิทูลธรรมิตถ้านราบันดาท่านพุทธบริษัทธวันนี้รู้สึกว่าเสียงแย่แห้งๆไปเพราะว่าบุกบันเรื่องการทํางานมากเกินไปแ่ดูไปดูมาเวลาก็หมดก็ต้องของดเรื่องของวิทูลธรรมิตสําหรับวันนี้ว่าแต่เพียงเท่านี้ ขอบรรดาแทนพุทธบริษัทรับฟังต่อไปเรื่องนี้ดีมากต้องใช้ปัญญาอย่างหนักต้องใช้ความอดทนอย่างหนักาหรับนวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ลผลผลยงมีแด่บรรดาแตนพุทธศาสนิกชนที่รับฟังทุกท่านสวัสด